Thank you. หนังสือรู้ซื่อๆมีหลายตอนที่น่าสนใจซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังจากคําบรรยายของหลวงพ่อส่วนใหญ่ท่านก็จะบรรยายในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็ผลจากการปฏิบัติแต่ ว, ว่าเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวของท่านปกติท่านก็ไม่ค่อยเล่าในเวลาแสดงธรรมเท่าไหร่ นานๆจะพูดทีแต่ถ้าจะพูดก็มักจะพูดเวลามีคนมาสักถามหรือว่าคุยกันในวงเล็กๆอยประสบการณ์ที่น่าสนใจคือช่วงที่ท่านปฏิบัติใหม่หมๆที่วัดป่าพุทธยานในหนังสือนี้ก็ท่านก็เล่าแล้วก็มีการนามาเขียนนะให้บรรยากาศที่น่าสนใจท่านทันรวาสมัยที่ท่านไป ปฏิบัติที่วัดป่าพุทธิยานท่านยังเป็นคารวาะอยู่ก็มีนักปฏิบัติทั้งพระทั้งโยมทั้งเนนประมาณ 20-30 ถึงชีวิตมีหลวงพ่อเทียนเป็นอาจารย์ใหญ่คารวะก็อยู่ด้วยกันเยอะแต่ว่าบรรยากาศก็กสงบมากเวลาไปสงน้ำกัน ต่างคนต่างก็สงฆ์ไม่ค่อยได้มีการพูดคุยกันเท่าไหร่ เ, เสร็จกิจส่วนตัวก็ไปปฏิบัติธรรมกันไม่ค่อยมีใครมาพูดคุยซักถามหรือว่าคลุกคลีกันเท่าไหร่ก็มาเจอกันอีกทีก็ตอนทำวัดเย็นทักำวัดเย็นเสร็จ ก, ก็กลับไปก็ไปปฏิบัติจนค่ำตื่นขึ้นมาตีสามก็มเริ่มตื่นกันมาปฏิบัติ ท่านราวาสมัยนั้นก็อาศัยเสียงน้ําค้างเวลามันกระทบกับใบไม้ก็ได้เวลาตื่นสมัยนั้นไม่มีนาฬิกาปลุกที่จะมาเตือนให้ตื่นตามเวลาตีสามก็เริ่มมีการจงกรมกันแล้วต่างคนต่างก็ลุกมาไม่ต้องมีใครมาเตือนแล้วก็มาปฏิบัติท่านลาวว่าบรรยากาศสงบมากไม่มีการมาเขียน คำสั่งกติกาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะทุกคนรู้หน้าที่เพราะทุกคนนิมมุ่งการปฏิบัติส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหลวงพ่อเทียนท่านกวดขันมากท่านอาจารย์ใหญ่ที่กวดขันในเรื่องการปฏิบัติขณะท่านแก่แล้วในะตอนผมมาอยู่วัดสนามในท่านก็มามาสอบอารมณ์ทุกวันเดินมาถามและก็ไม่ไม่พูดนาน ถ้าถ้าไม่มีเวลาก็ให้อาจารย์ทองมาถามที่วัดสนามในบรรยากาศก็เรียกว่าอยู่ในความสงบเพราะว่าเป็นวันที่มีขนาดเล็กๆท่านก็มองจากกุติท่านก็เห็นคนเดินจงกรมกันไปทั่วแต่ที่วัดป่าพทธิยานบรรยากาศแตกต่างจากที่วัดสนามในเป็นป่าแล้วก็อนาเขตก็กว้างกว่า ไม่ต้องให้ใครมาเตือนก็ปฏิบัติกันและสิ่งหนึ่งที่ท่านเล่าคือว่าความเป็นอยู่ที่นั่นเรียกว่าอัตคัดฝืดเคืองมากแม้แต่น้ําดื่นน้ําใช้ใชก็ต้องไปตักกันในที่ที่ไกลท่านว่าประมาณ 1- นถึงสกิโลเวลาไปส่งน้ําก็ต้องเดินไปไกลเป็นกิโลแล้วขาวกลับมาก็ไม่ได้เดินมือเปล่าก็ต้องหิ้วเอาน้ําดื่มมาด้วยคนเรากล่องสองกระป๋องหลวงวัตเทียนก็ ต้องตักน้ํามาด้วยเหมือนกันโดยนกันไกลใครที่มีกําลังก็หาบน้ํามาจากที่ส่งน้ํามาจนถึงที่วัดซึ่งก็เป็นสํานักธรรมดาไม่ได้เป็นวัดอย่างที่เรานึกภาพกันทัานว่าน้ํานี่หา ย, ยากมากล้างบาศเสร็จเนี่ยไอ้น้ำล้างบาศ น, นี่ยังเทงไม่ได้ต้องมาเทรวมกันในภาชนะเพื่ออะไรเพื่อไปล้างจานต่อ ล้างจานเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปลดน้ำต้นไม้อาหารก็ค่อนข้างจะฝืดเคืองบางทีก็มีแต่น้ำพริกกับข้าวเหนียวน้ำพริกนี่ฉันแล้วไม่ใช่ทิ้งนะต้องเก็บเอาไว้ถ้ามันแห้งก็เติมน้ำเข้าไปใหม่ในวันรุ่งขึ้นก็จิ้มกันแม้แต่ถุงพลาสติกก็มีค่าถ้าถุงพลาสติกนี่ได้มาก็มีประโยชน์เอาไว้อุด รูร่วในหลังคาได้ทุกอย่างนี่มีคามีคุณค่าท่านหลวงพ่อคำเกณฑ์ท่านเล่าว่าตอนมาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยท่านติดสงบมากเพราะเนเรื่องการบริกรรมพุทโ ธ, โธอาชีพของท่านคือหมอธรรมนี่ก็อาศัยการบริกรรมทำให้บางทีสามารถจะทำนายทายทักหรือว่าของหายก็สามารถบอกได้ แต่พอมาปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนนะท่านให้เคลื่อนไหวไม่ต้องนั่งนิ่งๆนะแต่ว่าหลวห้องเขียนซึ่งตอนยังเป็นคารวาอยู่ก็ยังติดในความสงบท่านก็อยากนั่งนิ่งๆจนกระทั่งมีผู้เท่ามาเตือนมานั่งนิ่งๆทําไมนะทำไมไม่ยกมือสร้างจังหวะในที่ท่านประทับใจคือมีเนนมีเนรน้อยๆมาถามว่ารูรูปน้ำไม่ยังประเดือบมาหลายวันยังไม่ลุกเรอ เนมปฏิบัติ7วันก็รูรูปนามแล้วทำไมเจ้าโง่อย่างนี้ตอนนั้นหลวงพ่อเป็นคารวะอายุ30นะเน้นพูดอย่างนี้ก็เลยเกิดความเพียนแต่เพียนก็ยังใจก็ยังคล้อยไปความสงบอยู่จนกระทั่งหลวงพ่อเถียนต้องท้าว่าถ้าปฏิบัติอย่างที่ท่านแนะนำถ้าไม่ได้ผลก็จะให้เงินเป็นค่าเสียเวลาท่าถามว่าเดือนนึงได้เท่าไหร่ท่านบอกได้พันหนึ่ง เงินได้พันหนึ่งหลวงพ่อเทียนก็บเนี่ยก็จะถ้าไม่ได้ผลแล้วก็จะให้เงินพันหนึ่งเป็นค่าเสียเวลาก็ทําให้ท่านเกิดศรัทธาว่าปฏิบัติมันลุงได้ผลแล้วปฏิบัติก็ก็ได้ผ ล, ล, ล, ลนะรู้รูปนามได้ภายในเวลาไม่ถึงเดือนแล้วก็ทําให้ท่านเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติจนกระทั่งมาบวชอันนี้ก็มาดูบรรยากาศของวัดป่าพุทธญาณแล้วกับที่นี่มันก็ต่างกันไกล ในเรื่องของความสะดวกสบายที่นี่ต้องเรียกวอุดมสมบูรณ์ทีเดียวในเรื่องอาหารในเรื่องเสนาสนะในเรื่องของน้ำท่าเดี๋ยวนี้ก็มีไฟฟ้าแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากสมัยก่อนถนนเอ่ยไฟฟ้าเอ่ยก็ไม่มีไม่ต้องพูดถึงสัญญาณโทรศัพท์แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบาย ก็เรียกว่าสัปปะยะก็ได้ในที่นี้เทียกวัดป่าพุทธิยานแล้วเนี่ยที่นี่มีสัปปยะหลายอย่างในเรื่องอาหารในเรื่องสถานที่ในเรื่องผลมีอากาศแต่ว่าสิ่งที่อาจจะแตกต่างจากวัดป่าพุทธิยานคือว่าสัพปะยะในระบุคคลบุคคลสัปปะยะอันนี้ก็เราก็ต้องช่วยกันสร้างกันขึ้นมาว่าทำไงถึงจะให้แต่ละคนแต่ละคนนี่เป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวย ให้แก่การปฏิบัติสัพยานี่เราแปลเป็นไทยๆว่าสบายแต่จริงๆสัพยะไม่ได้แปลว่าสบายแต่หมายถึงว่าเกื้อกูลนะต่อการปฏิบัติเวลาพูดคาว่าสบายเนี่ยมันมีความหมายคล้ายๆกับว่าสบายแล้วก็เลยนั่งนงนอนๆไม่ต้องทำอะไรสบายแล้วก็หยุดเท่านั้นแล้วเดี๋ยวนี้ก็เอาสบายเป็นใหญ่ไปเลยไม่ทำอะไร แต่ว่าสัพปพปยาจริงๆแปลว่าเกลื่อนเกลูนอย่างบรรยากาศที่หลวงพ่อคําเขียนเล่ามาเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่เกลื่อกูลความสงบสงัดที่เกิดจากธรรมชาติความสงบสงัดที่เกิดจากผู้คนที่ต่างตั้งนั่นต่างๆปฏิบัติอยู่กันมาเป็นเดือนที่ไม่รู้จักชื่อเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันด้วยซ้ําแต่ทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวและทําหน้าที่ของส่วนรวมไม่ค่อยได้ได้เกิดปัญหาเท่าไหร่ แล้วที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ความฝึกเครื่องนี่มันก็ในแง่เนี่ยมันก็เอื้อต่อการปฏิบัติเหมือนกันมันทําให้คนที่ตั้งใจจริงๆเท่านั้นถึงจะมาปฏิบัติเพราะว่าทําไมตั้งใจก็เห็นสภาพการเป็นอยู่แบบนี้แล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมสถานที่มันเป็นตัวกรองเอาความฝึกเครื่องมาเป็นตัวกรองกรองคนด้วยว่าเป็นคนที่ตั้งตั้งใจจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึง วัดป่าพุทธิยานได้นี่ก็ต้องเรียกว่ามีความศรัทธาแล้วก็มุ่งมั่นในการปฏิบัติแต่ว่าพอสถานที่มันสบายแล้วเนี่ยมันก็ไม่แน่และ ว, ว่าที่มานี่มาเพราะอะไรหรือมาด้วยความตั้งใจหรือเปล่าและพอได้เจอความสบายแล้วบางทีก็ก็เหลือไม่ได้ขวนขวายจิตใจไม่เข้มแข็งในการปฏิบัติเพราะว่าติดสบายหรือติดสุขไปเส้นแล้ว มันกัที่วัดสนามในพออยู่ใกล้เมืองแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มาวัดสนามในเป็นคนที่ตั้งใจปฏิบัติหรือว่าหวังลาบสักการละเพราะว่าที่วัดสนามในนี่ก็ใกล้เมืองเดินไม่กี่เมฆก็เข้าหมู่บ้านจัดสรรละแล้วคนก็ใส่บาตรดีบางทีก็ถวายซองด้วยก็มีลาบสักการะเกิดขึ้นหรือว่าบางทีก็มาวัดสนามายเพียงแค่ต้องการเป็นที่พักเพื่อได้ไปทําทุละ ไปโรงพยาบาลศิริราชไปโรงพยาบาลสงฆ์หรือไปเยี่ยมญาตต่างๆก็ไม่ได้มีความตั้งใจปฏิบัติที่นี่พอมีความสบายขึ้นก็อยากเป็นความสบายที่เอือเ้อต่อการปฏิบัติถึงแม่คนที่อยู่ไกลอาจจะมีศรัทธานในการปฏิบัติแต่ว่ากลัวความลําบากอย่างเช่นคนในเมืองคนที่มีวิชาความรู้หรือมีอาชีพการงานที่ดีสมัยนี้เขาไม่ค่อยทนในเรื่องของความยากลําบากเท่าไหร่ ้ความสบายของสถานที่มันก็สามารถจะเปิดทางให้กับคนเหล่านี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ระวังมันก็ก็จะกลายเป็นว่าเพลิดกับความสบายไปแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็งก็ค่อยอ่อนแอจริงจริงตอนที่หลวงพ่อท่านมาบุกเบิกร่วมกับหลวงพ่อบุญธรรมใหม่ๆที่นี้มันก็เรียกว่าลำบากมาก ลำบากก็ไม่ตายอย่าวัดปาพุทียาอาจจะลำบากมากกว่าเพราะว่าการคมนาคมนี่ไม่ดีเลยจากแกล้งครอมาถึงนี่นะต้องปีนเขานะปีนเขามาแล้วก็เดินจากหน้าผามาท่ามาไฟหวานจากท่ามาไฟหวานเดินต่อมาอีกที่สุกโตการคมนาคมแย่มากผมจําได้ตอนปีสองสามาทอดพระภาข้าให้หลวงพ่อที่ท่ามาไฟหวาน มันเกิดเหตุชาวบ้านทำปืนลั่นแล้วก็ไปถูกขาเพื่อนที่เป็นหมอเป็นนักศึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลพอมองกุฎขึ้นมาด้วย ก, ก็ก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่เลือดไหลแผลไม่สาหัสก็บอกให้ไปโรงพยาบาลแต่ประกาบการคมนาวค ม, มั น, ม, นมันไม่ดีเลยถ้าโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลชัยภูมิไปแก้คอไม่ได้ามันต้องลงเขาก็มีทาง ลูกลังไปชัยภูมิปรากฏว่ากว่าจะไปถึงก็ตายเสแล้วเพราะว่าเลือดออกมาก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าว่าแผลแค่นี้นะก็ตายได้เพียงเพราะว่าเลือดไหลามากเกินไปอันนี้คือสภาพที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าไม่พูดถึงความลําบากฝืดเคืองแล้วที่นี่ก็เรียกว่าสระะัพยตรการปฏิบัติได้เหมือนกันเพราะว่า ก็จะมีคนๆคนตั้งใจมาปฏิบัติจริงๆแล้วก็สถานที่มันก็สงบสงัดธรรมชาตินี่ก็กลายเป็นเหมือนกับสิ่งไม่ใช่แค่สิ่งกล่อมกลาวจิตใจให้เกิดความสงบสงัดอย่างที่พูดเมื่อวานว่าเนี่ยมันทำให้เกิดเนคขมมะสุขแล้วก็ปวีเวกะสุขเท่านั้นนแต่ว่ามันกลายเป็นกระจกสองใจได้ธรรมชาตินี่ก็เออให้จิตนี่สามารถที่จะ กลับมาดูใจของตัวได้มันไม่มีสิ่งเล่าสิ่งกระตุนมากถ้ามีสิ่งเล่าสิ่งกระตุ้นมากในใจมันก็จะไปจ่ออยู่ข้างนอกตาหูจมูกก็ไปจดจ่อยแต่ข้างนอกเพราะมันมีสิ่งเล่าสิ่งกระตุนมากใจซึ่งควรจะทําหน้าที่มาดูจิตดูความรู้สึกนึกิดภายในมันก็ปลุกส่งออกนอกก็เลยไม่ค่อยได้รู้ท่าฐานความรู้สึกนึกิดภายในแต่ว่าถ้าธรรมชาติมาสงบอย่างนี้เนี่ย ใหม่ๆก็อาจจะง่วงอาจจะง่วงอาจจะซึมเพราะว่ามันเป็นอาการของคนที่ติดกับผัสสะอาการการติดกับผัสสะนี่มันก็เป็นความเสพติดอย่างหนึง่งแล้วคนในเมืองจะเป็นมากเพราะว่าทั้งวันทั้งคืนตาหูจมูกลิ้นกายมันรับรู้แต่ผัสสะต่างๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างที่เขาเรียกว่าแสงสีแสงสีเสียง มันเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนไปเพียงแค่ดูโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ภาพมันเคียงแค่4ีห้าวินาทีมันก็ตัดฉับแล้วตัดฉับแล้วยิ่งในโฆษณามันตัดฉับเร็วมากห้าวินาทีตัด5วินาทีตั ด, ตดมันเปลี่ยนภาพเปลี่ยนซีนเปลี่ยนฉากคนที่อยู่ในบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยมันจะเสติดผัสสะที่แปรเปลี่ยนไปพอมาอยู่ที่นี่มันไม่มีผัสสะแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการ ที่เรียกว่าลงแดงเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่แล้วไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้สูบมันจะมีอาการลงแดงมีความรู้สึกทางกายที่ง่วงเงาเหานอนหรือว่าเกิดจิตใจที่มันพยศและมันทนไม่ได้ ม, ดดมันดิ้นลนมันดิ้นที่จะไปเสพ บ, บริโภคแล้วคนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็จะมีอาการแบบนี้ที่รู้สึกได้คือง่วงหรือไม่ก็เบื่อเซ็งถ้าไม่เบื่อเซ็งก็ง่วง หลับนะมันเป็นทางออกของจิตพอมันทนความเบื่อไม่ได้มันก็หลับนะแต่พออยู่ไปอยู่ไปก็เริ่มสงบทีแรสงบจากชีวิตที่เรียบง่ายก่อนชีวิตที่ไม่ยุ่งเหยิงางานที่ไม่สับสนไอนะ้ชีวิตทีุ่่มันยุ่งเหยิงสับสนก็อย่างที่พูดไว้เมื่อวานก็คือมันไปเกี่ยวข้องกับการมาสุขมากมันสแสวงหาการมาสุขมันเสพมันบริโภคเสียเวลากับเรื่องพวกนี้เยอะนะจิตใจก็เลยเรียกว่ายุ่งเหยิง ชีวิตไม่เรียบง่ายมันสนุกนะแต่ว่าไม่สุขมันสนุกแต่ไม่สุขแต่พอไกลาจากสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกว่าเนคขมมะชีวิตมันก็เริ่มเรียบง่ายมากขึ้นเมื่อเรียบง่ายมากขึ้นไม่ยุ่งเหยิงชีวิตก็สงบพอชีวิตสงบแล้วต่อไปจิตมันก็สงบด้วยอยันนี้เรียกว่าปวิเเวกสุขสงบเพราะความสงัดของสิ่งรอบตัวและความสงบจาก สิ่งเราและต่อไปกิเลสก็ค่อยสงบลงด้วยโดยเฉพาะถ้าเราเจริญสติหรือว่าทําสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องให้มีความตื่นตัวอยู่เสมอถ้าการปฏิบัติที่ถูกต้องนี้มันต้องทําให้จิตตื่นตัวแล้วก็อ่อนโยนควรแก่การงานอันนี้คือธรรมชาติของจิตที่ถูกต้องคือถ้าปฏิบัติแล้วนี่มันซึมมันเบือ่อ ถึงแม้จะสงบแต่สงบแบบเฉยชาสงบแบบเฉยชานี้อันนี้ต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะผิดเพราะว่าถ้าปฏิบัติถูกต้องเนี่ยคุณภาพจิตก็คือว่าสงบเป็นสุขแล้วก็ควรแก่การงานกรรมนิยากรรมนิยาคือควรแก่การงานถ้าทำแล้วเบื่องงานไม่อยากทํางานหนีงานนี่นะอยากจะอยู่นิ่งๆอันนี้มันไม่ใช่นะคุณภาพจิตที่ถูกต้องการปฏิบัติมันไม่ใช่เป็น สัมมาสติไม่ใช่สัมมาส ม, มาธิแล้วเป็นเครื่องวัดได้หรือว่าถ้ามันแข็งกระด้างมันตื่นนี่ก็ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่นะความเคลียดมันก็สอนว่าปฏิบัติผิดแล้วอันนี้ก็ให้เราเจริญสติด้วยใจที่ตื่นนะใจที่ตื่นคือมันรู้ท่าทันนะความสุขนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเวลาเดิน จะก้าวไปข้างหน้าถอยกลับไปข้างหลังจะยืนจะนั่งจะคู่จะเหยียดก็มีความารู้ตัวใหม่ๆเนี่ยมันทำไปแล้วถึงค่อยรู้มันทำไปแล้วถึงค่อยรู้เ ย, ยื่นไปแล้วขยับไปแล้วถึงค่อยรู้เอามือลูกหัวไปแล้วเสร็จแล้วถึงค่อยรู้หรือว่าตบยุงไปแล้วถึงค่อยรู้เดินจงกรมอยู่เปลี่ยนอิทธิบาตรเฉยเลยเพราะมันเมื่อย พอเปลี่ยนเรียบบทาถึงค่อยรู้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะรู้ไวรู้ไวรู้ไวต่อไปเพียงแค่ขยับมือขยับขาหรือขยับตัวจิตมันก็จำได้ว่าเนี่ยคื อ, ค, อคืออาการที่จะต้องรู้ความตื่นตัวก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามาเป็นเครื่องเตือนการขยับหรือการเปลี่ยนเรียบบทมันกลายเป็นเครื่องเตือนจิตให้สติกับมาให้ความรู้ตัวกลับมา ในสมองเดกันความนึกคิดก็เหมือนกันควานึกคิดมันคิดไปไกลถึงค่อยรู้แต่พอฝึกวิธีนี้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะรู้ได้ไวขึ้นแต่ก่อนคิดไป8เรื่องถึงค่อยรู้อ่าต่อไปคิด7เรื่องก็รู้แล้วต่อไปมันก็หดสั้นหดสั้นคิดไป2อสเรื่องก็รู้แล้วต่อไปคิดเรื่องเดียวก็รู้แล้วต่อไปพอเริ่มจะคิดขึ้นมาเริ่มเขี่บขึ้นมามันก็รู้แล้วเพราะว่าสติมันไวความระลึกได้มันไว ระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่มันไม่เผลอไปเหมือนเมื่อก่อนแต่การเจริญสติแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องเผลอก่อนนะมันถึงจะระลึกได้ถึงจําได้อย่างที่หลวงพ่อท่านพูดไวเมื่อวันก่อนว่าคนเราก่อนจะรู้ได้มันก็ต้องหลงก่อนก่อนจะถูกได้มันก็ผิดก่อนจะระลึกได้ก็ต้องหลงก่อนเพราะฉะนั้นเราจะไปกลัวหลง หลงมากๆก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าหลงมากๆมันก็จะหมายความว่าจําได้มากถ้าจะประโมททําบอกใครที่บอกว่าหลงครั้งเดียวนี่ไ ม, ไม่ไม่ดีนะแสดงว่าหลงยาวมากเลยกว่าจะมารู้นี่เป็นวันแต่ถ้าหลงหลายๆครั้งนี่ดีนะเพราะว่าแสดงว่ามันระลึกได้หลายครั้งมันหลงแล้วก็ระลึกได้เสร็จแล้วก็หลงใหม่หลงไปใหม่ระลึกได้ใหม่ ในหชั่วโมงนี้หลงหนึ่งครั้งนี่แสดงว่าแย่นะแสดงว่ามันฟุ้งไปยาวเลยฟุ้งเป็นชั่วโมงแต่ว่าในหนึ่งชั่วโมงนี้หล ง, ห, ง, ง, ง, นะงหลายครั้งนี่แสดงว่าดีแล้วก็คือว่ามันรู้ได้หลายครัง้งมันหลงแล้วก็รู้แล้วก็กลับไปหลงใหม่แล้วก็วกรู้เอาไว้อย่าไปลังเกียจอย่าไปลังเกียจไอการหลงเพราะจะรู้ได้มันต้องหลงก่อนหลงหลายครัง้งมันก็แปลว่ารู้หลายครัง้งการปฏิบัตินะแนวของหลว่อเทียงคืออันนี้แหละ คือไม่กลัวที่จะหลงคนที่กลัวหลงนี่ก็จะพยายามไปบังคับควบคุมจิตเอาไว้บังคับควบคุมจิตเพื่อไม่ให้มันหลงจิตมันก็เลยไม่มีอิสระที่จะรู้มันไม่สามารถที่จะเกิดการระลึกยู้ได้ตามธรรมชาติบางทีก็ใช้วิธีไปกดไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งซึ่งก็ทําให้ความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวทั่วพร้อมมันเกิดขึ้นไม่ได้ ความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่มันเกิดขึ้นมันมันรู้รวมๆนะมันอาจจะไม่ชัดในส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ว่าความรู้รวมๆนี่แหละก็ทําให้เราสามารถทําอะไรที่ถูกต้องได้แต่ถ้าเราไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ทําอะไรลําบากนะอย่างเช่นเวลาข้ามถนนนี่ถ้าเราไปเพ่งที่เท้าเนี่ยมันก็อันตรายการข้ามถนนต้องข้ามอย่มีสติข้ามนี่มีสติคือว่ามันมีความรู้ตัวทั่วพร้อม นณที่ข้ามใจมันลอยอา้าวลู่ทันกลับมาลู่ทันกลับมาก็เห็นรถที่อยู่ข้างหน้าได้แล้วก็ประมาณกับเวลาได้ถูกการระยะทางได้ถูกต้องแต่ถ้าไปเพอแต่ถ้าไปจดจ่อที่เท้านะมันจะข้ามถนนได้ยังไงนะความรู้ตัวทุกพ่อมันไม่เกิดขึ้นแล้วตอนนั้นเพราะนั่นนี่เราก็พยายามพยายามที่จะไม่ไปบังคับจิตอย่างที่เรา ชอบกระทำแต่ว่าความไยดีหรือว่าความติดดีเนี่ยมันก็พยายามที่จะทําให้เราอยากจะไปควบคุมจิตไปเพ่งมันนะไปดักเฝ้าดูความคิดบางคนก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่ไปไม่ไปเพ่งที่ตรงตรงใดส่วนใ ด, ส, นใดส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้จะไปวางจิตไว้ตรงไหนก็ไม่ต้องวางจิตไว้ตรงนั้นเราก็ให้อยู่กับตัวก็แล้วกันให้จิตมันอยู่กับตัวอย่างที่เรียกว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัว ไห้ใจมันอยู่กับตัวไม่ใช่เพง่งหรือจะพูดย่างไงก็คือว่าถ้าใครที่เพ่งก็พยายามถอยออกมานหน่อยแต่ไม่ใช่ถอยมาจนกระทั่งฟุง้งมันเป็นกลางๆระหว่างเผลอกับเพง่งในการเจริญสติเนี่ยที่เป็นสติปัฏฐานที่จะใช้ในการดูกายดูใจหรือเกิดความรู้สึกตัวทุ่มพร้อมเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างเผลอกับเพง่ง เอาตรงจุดที่เราชอบเพลงแล้วเราลองลองให้มันย่อน อ, อีกสักหน่อยหรือว่าถอยห่างอีกสักหน่อยการที่เล่นเพลงอย่างใกล้ชิดแนบแน่นเป็นการแชร่นี่ก็ปลายลงอีกสักหน่อยก็จะถึงจุดที่มันสมดุลพอดีพอ ด, พอดีเมื่อเราขี่จั ก, กรยานขี่จั ก, กรยานถ้าเราเกรงตัวจับแฮนด์จนแน่นแล้วก็ขี่ได้ลําบากอันนี้พูดถึงคนที่ฝึกใหม่นะ แต่ถ้าปล่อยแฮนหรือว่าไม่คุมไม่คุมตัวไม่คุมกายเลยนะปล่อยกายย้วยไปย้วยมามันก็อับไม่ได้เหมือนกันมันก็ลม้มต้องรักษากายทรงกายให้ระดปพดีไม่ตึงไม่เกรง็งแล้วก็ไม่หย่อนนะไม่คลายเกินไปอาการปฏิบัติในะที่หลวงพ่อคำเขียนได้รับกาแนะนานจากหลวงพ่อทิงก็ไม่มีอะไรมาก ท่านก็บอกเพียงแค่ว่าให้ใ ห, ให้รู้กายรู้ใจให้ดูกายเคลนไหวใจคิดนึกเวลาท่านจะหนักไปทางทําสมาธิทําสมถะท่านก็เตือนว่านี่จะไปเพ่งเข้าไหนมากมีวันหนึ่งท่านก็มาหาจิตกติถามว่ากําลังทําอะไรอยู่หลวงพ่อเกษมบอกกํากลังสร้างจังหวะอยู่ยก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหมหลวงพ่อเกษมบอกไม่เห็นครับ ถ้าทํางไงที่จะเห็นน่ะก็ต้องเปิดประตูครับเปิดประตูสิพอเปิดประตูแล้วถามว่าเห็นข้างนอกไหมเออเห็นเห็นข้างในไหมเห็นเห็นข้างในโดยที่ไม่แช่อยู่ข้างในคือไม่เข้าไปในความคิดหรือไม่เพ่งเห็นข้างนอกแต่ก็ไม่ใช่ไปเกาะ อ, อยู่กับสิ่งที่เห็นจนกระทั่งจิตมันแช่หรือไปเกาะ อ, อยู่ตรงนั้นอันนั้นก็มันก็ทําให้ลืมกายลืมใจได้ จิตทรงออกนอกก็ลืมกายลืมใจนะจิตเพ่งเข้าในหรือเข้าไปในความคิดมันก็ลืมกายลืมใจหรือว่าทําให้ความรู้ตัวทุกความเกิดขึ้นไม่ได้การปฏิบัตินะจริงจริงมันก็ไม่ยากเพียงแต่ว่ามันต้องทวนกระแสความเคยชินของเราไม่ว่าจิตที่เคยชินกับการฟุง้งเผลอหรือว่าจิตที่มุ่งจะมุ่งจะเอาชนะมุ่งจะ ให้ได้อย่างที่ต้องการก็คือเปิบเข้าไปเพ่งซะฉนั้นถ้าเราตามรู้กายตามรู้ใจอยู่เรื่อยๆมันก็จะเห็นว่ากายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งแต่ก่อนมันมันไม่เห็นอย่างนั้นมันก็ไปคิดว่าเป็นเราเสียหมดเราเดินเราคิดเราโกรธแต่พอดูกายมันก็เห็นกายก็อันหนึ่งหรือจะเรียกว่ากายเป็นผู้ถูกดูก็ได้ อะไรที่มันเป็นจริงเป็นสิ่งที่ถูกดูเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกับไมโครโฟนอันนี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ถูกดูมันจะกลายเป็นเราได้ไหมอย่างมากมันก็เป็นแค่ของเราว่าไมโครโฟนของเราแต่ไมโครโฟนนี้เป็นตัวเราไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผู้ถูกดูไปแล้วมันคนละอันกับตัวรู้ตัวดูพอเห็นกลายเป็นสิ่งที่ถูกดูเนี่ยมันก็จะค่อยๆเห็นว่ามันไม่ใช่เรา มืนกันที่เราเห็นว่าไมาโครโฟนตัวนี้ไม่ใช่เรามันเป็นได้อย่างมากก็แค่ของเรามันไม่ใช่เรานะจิตอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่ถูกดูแต่มันไม่ใช่เราความโกรธไม่ใช่เราไอ้สิ่งที่ถูกดูเนี่ยในส่วนมันก็จะทำให้ใจเราได้เห็นว่าเออมันไม่ใช่เราลูกก็ไม่ใช่เราน้ำก็ไม่ใช่เราพูดง่ายๆอย่างเอยียนก็คือว่าไอ้ตัวเรามันก็ ถูกแยกออกมาเป็นรูปและนามอันนี้มันก็เป็นขั้นตอนในการที่ทำให้เราไอความยึดติดในหรือหลงติดว่าเป็นเราเนี่ยนะเป็นโกน์มันละลายหายไปหลวงพ่อเขียนเรียกว่ามันทะลุทะลุให้เป็นเหลือแค่รูป ก, กับนามแล้วต่อมาไม่ใช่แค่ทะลุอย่างเดียวนี่มันมันทำให้ปฏิบัติจนกระทั่งมันแตกกระจายเลยหลวงพ่อเขียนเล่า ให้หลวงพ่อเทียนฟังว่าหลวงพ่อเทียนก็มาถามว่าเป็นยังไงการปฏิบัติหลังจากที่ท่านมาปฏิบัติได้3ปีท่านก็บอกทิ้งขันมันแตกกระจายไปหมดขันนะครับมันแตกกระจายไปหมดเหมือนกับแก้วแก้วแตกเอามาต่อกันไม่ได้เลยเอามาต่อมันก็ต่อไม่ติดหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าเนี่ยถูกแล้วแหละถูกแล้วแต่ท่านหลวงพ่อเทียนใช้คํำอธิบายแบบนี้ก็คือว่ามันก็เชื่อมันขาดเชื่อมันขาด ขาดจากการลมันต่อไม่ติดแล้วบางทีหลวงพ่อามเขียนก็ใช่อธิบายว่านอดน็อมันหลวมน็อมันหวานนอมันหวานแล้วนะมันไม่เข้ากันแล้วมันไม่สนิทแล้วแต่ก่อนตายเห็นรูปปุ๊บมันปรุงแต่งเลยนะตายเห็นรูปเกิดเวทนาเกิดเวทนามันต่อกันไปเลยเป็นตันหาอุปทานเหมือนกับมันเชื่อมกันทุกอย่างมันเชื่อมมันต่อกันเป็นติดหมดติดหมดเกิดภาษาก็เวทนาตันหาอุปทานมันแล่นกันไปเลย แต่พอปฏิบัติถึงจุดหนึ่งนี่มันไม่ลแล่นละมันขาดกลางมันต่อไม่ติดเกิดนะภาษาเกิดเวทนาขึ้นแต่มันไม่เชื่อมไปเป็นตัญหาแลวมันขาดจากกันเหมือนกับถ้าเป็นน็อตมันก็หลวมแล้วล่ะอันนี้แหละคือประสบการณ์ที่พวกเราก็น่าจะได้อาศัยหลวงพ่อคำเขียนเป็นแบบอย่างเราจะทำอย่างไรแล้วก็ขณะเดียวกันก็ช่วยกันทำให เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติด้วยมันก็จะทำให้สิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงไปไม่ว่าโดยเราหรือว่าโดยคนอื่นๆก่อนหน้านั้นมันเกิดผล